บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรณชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของกิเลสที่ทรงใช้ในทินิโยสังโยชน์ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ปลกใจสัตว์เอาไว้ไมห่หลุดรอดไปจากอานาจของตนไมห่หลุดรอดไปจากอานาจของความทุกข์ ตลอดถึงไม่ให้หลุดรอดไปจากการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏเมื่อกล่าวโดยประเภทกะเป็นการจำแนกออกไปในรายละเอียดแต่เมื่อเราเกาะกลุ่มกิเลสห้าข้อที่จะกล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นจะพบว่าความเห็นเปนเด็ดถือตัวถือตนหรือมีตัวมีตน ไม่เข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นก็เป็นอาการของโมหะซึ่งเป็นความหลงผิดความเข้าใจผิดในกติธรรมดาของชีวิตแม้จะมีการศึกษาจำแนกแกแๆออกไปในส่วนของรูปวัตถุและในส่วนที่เป็นนามนธรรมรวิชาการทางพระพุทธศาสนาก็ดีหรือวิชาการสมัยใหม่ก็ดี คนก็เข้าใจเรียนรู้กันว่าแท้จริงแล้วร่างกายของบุคคลนั้นเป็นที่เกาะกลุมประชุมกันของสิ่งทั้งหลายมีจุดเริ่มเริ่มต้นนิดเดียวซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นได้ทําไปแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีเหตุปัจจัยเกาะกุมเพิ่มขึน้นก็กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา อยในกระบวนการของปัจจัยการหรือปฏิจจาาสมบัติที่เราได้เคยศึกษาผานนั้นก็ได้แสดงเหตุปัจจัยไว้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมปัจจัยส่วนที่เป็นนามธรรมก็คืออวิชาในความหมายนี้ที่จริงก็หมายรวมกันทั้งความดีและความชัว่ว แต่เพราะปริมาณของความดีไม่มากพอที่จะทำลายอาวิชชาได้ท่านก็ใช้คาว่าวิชาอยู่แล้วก็กรรมซึ่งก็มีทั้งระดับที่เป็นบุญระดับที่เป็นบาประดับที่เกิดความประณีตสงบของจิตจนถึงก็บรรลรูปภัชาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วก็ยังมีอวิชชาอยู่ ไม่ใช่เป็นความสมบูรณ์แห่งกุศลธรรมหากยังมีสิ่งทั้งสองสิ่งนี้ที่จริงแล้วก็เป็นนามนธรรมก็จะก่อให้เกิดเป็นวิญญาณซึ่งถือปฏิสติในกำเนิดต่างๆตามความเข้มข้นของกรรมดีกรรมชั่วในจุดนี้เองเราจึงพบบางครั้ง เป็นรายละเอียดที่ทรงจำแนกแสดงถึงสถานที่ตั้งของวิญญาณคือถือปฏิสนธิของวิญญาณบอกกลุ่มเป็นประเภทไว้เป็นเจ็ประเภทแล้วแสดงถึงที่เกิดที่อยู่ของสรรพสัตว์ที่เชื่อว่ายังคล้องยังติดอยู่ในกระแสของโลกมากปังน้อยปางกระต่งเรียกว่าสัตว์ตาวาัด ถึงมีอยู่9ก้าประการแต่ในขณะเดียวกันจำแนกยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแ้ก็มีลักษณะเป็นรูปธปรรมจดจำแนกสภาพชีวิตตามความเข้มข้ น, นของบุญของบาปเรียงขึ้นไปโดยลำดับเป็นรูปของอบายคือสภาพชีวิตที่มากไปด้วยกิเลส อาการกลโลภะโทสะโมหะชัดเจนในจิตใจของสัตว์เหล่านั้นจะเรียกว่านรกสัตว์เดชานเปรตและอสุรกายถึงกวหมายความว่าเป็นพวกเสื่อมลักษณะาอาการที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่ากิเลสมันชัดมากอย่างสัตว์เดชานเองกิเลสประเภทโมหะนี่ชัดมาก ก็เรียกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยก็ยกให้เป็นรูปคนงสัตว์ดิรกชานไปประเภทนรกก็มีโทสะที่รุนแรงแเผาจิตใจของบุคคลผู้นั้นให้เกิดความเียดแค้นความราร้อนกิเลสประเภทโมหกิเลสประเภทโลภ ะ, ะก็ปรากฏอยู่ในเปรตที่รุนแรง คืมีความหิวกระหายไม่รู้จักจบสิน้นมีความอยากที่ต้องการตอบสนองจนรูน้อยากเต็มจากอิ่มอย่างที่ท่านพูดเป็นลูก ป, ประทับว่าปากถ้ารูเข็มแต่ว่าท้องถ้ากุกเขาหรือพวกอสุรกายนั้นก็บีทั้งโลกทั้งหลงเพราะบวกนี้ ช, ชอบหลอกลวงที่เราเรียกว่าผี หรือสำนวนมรีเที่ยวปีศาจการที่มีจำแนกออกไปเช่นนี้ที่จริงก็ไม่ใช่อะไรคือกิเลสมันมากในขณะที่มีชีวิตอยู่พฤติกรรมคนเหล่านั้นก็หยาบคายรุนแรงไร้ากาศและวิบากกรรมนั้นเองก็จำแนกให้เขาไปเกิด ตามแรงกรรมที่เขากระทำเอาไว้ซึ่งที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากความแรงของกิตเองในขณะเดียวกันที่จิตซึ่งมันประนีตขึ้นกว่านั้นหมายความวาโลกโรยหลงก็ยังมีอยู่เพียงแต่ ว, ว่าไม่ถึงหยาบคายรุนแรงสามารถที่จะบรรเทาความหลงหตุผลในการดำรงชีวิตได้ บางครั้งอาจจะรวบอำนาจแก่อารมณ์แต่ว่าแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงได้จึงก็ทำได้มากบางน้อยบ้างก็แล้วแต่พื้นเพอัตยาัยของเขาหรือลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นๆคืมีการจำแนกออกไปเป็นพวกมนุษย์ที่เราจะเห็นว่าในคำว่ามนุษย์นั่นเองมันมีความแตกต่างมีความยิ่งความหย่อนของกิเลสประเภทโลกกฏ หรือแม้แต่จะจำแนกให้มากกว่านั้นก็ได้ทำให้การกระทำของบุคคลเหล่านั้นแตกต่างกันแม้แต่ในระดับที่ทำกุศลและทำด้วยกันแล้วก็มีความยิ่งความยนในการกระทำจอุอย่างที่รร้เจ้าทรงยกตัวอย่างเช่นการฟังเทศหรือฟังธรรมะของคน ก็ทรงเชื่อเหตุเงความมั่นคงของจิตในขณะที่ฟังเทศน์นั้นแล้วก็มีความแตกต่างกันแตกต่างกันทั้งในขณะนั้นทั้งในพื้นเพอัติยาศัยโน้มเอียงมาสู่การฟังธรรมตัวยกตัวอย่างว่าบางคนฟังเทศเมื่อโนของวางไว้ที่ข้างหน้าบางคนเมื่อโนของวางไว้ที่ในตัก บางคนมือนอาของนั้นใส่พกเอาไว้หมายความว่าใช้เวลาความเทศเท่ากันอูตแสดงก็คนเดียวกันแต่พื้นฐานการเรียนรู้พื้นฐานทางศรัทธาทางสติของบุคคลตลอดถึงความเพียรสมาธิของบุคคลในขณะนั้นมีความยิ่งความหย่อนไม่เหมือนกัน ซึ่งหมายความในกรณีใดหย่อนก็แสดงว่าในกรณีด้านกิเลสมันมากเช่นศรัทธาหย่อนก็แสดงความไม่ศรัทธามันมากหรือความโกรธมันมากหรือความโลภมันมากก็แล้วแต่ว่าระดับใดวิริยะมันหย่อนหรือความเพียนมันหย่อนแสดงความเกียดคร้านมันมากถ้าสติมันหย่อนก็แสดงความเผลอเร่อความเลอะเลือนความหลงลืมความ พุงสั้นมันมากถ้าสัาถ้าสมาธิเป็นหย่อนแสดงว่าความสงบความตั้งมั่นของจิตมันมากถ้าปัญญาบัน็นหย่อนก็แสดงว่าพรามไม่รู้มากเพราะในสิ่งเหล่านี้ถ้าควายกุศลเข้ามากควายอกุศลก็ต้องลด ความกุศลเขามากควาอกุศลก็ลดคล้ายๆกับความเย็นความร้อนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ดูถือแม้แต่เรื่องเราอื่นซึ่งหมายความว่าในจุดนั้นมันจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือว่าน้อยแต่ก็มีบางขณะที่เราจะเห็นว่าความก่ำกึงกันในระหว่างความเพียรกับความจิบคร้านมันก่กำก่ึงกันอยู่ ก็ทำให้มีลักษณะเหมือนกับการชักเยอ่อเกิดดึงกันไปดึงกันมาใกสุดก็เกิดความสับสนคือจับเรื่องอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีการปฏิติประต่อตในช่วงที่ความเพียรเขามั่นคงมันก็จับอะไรได้แต่พวกความเกียดคร้านก็มีแรงขึ้นมามันก็แหวกลักษณะภายในใจของคนมันก็มีอย่างนั้นเพราะในจุดนี้เราจึงเห็นว่า ในการฟังเทศบางครั้งฟังในขณะฟังมันก็พอรู้แต่พอออกไปแล้วมันก็ลืมคล้ายๆกับวางของไว้ข้างหน้าพอเจ้าของลุกขึ้นของก็วางอยู่ตรงนั้นเองด้วยคนบางคนอาจจะเข้าใจอาจจะนึกเทียบเคียงได้อาจจะพิจารณ์ได้ในขณะที่ฟังแต่พอลุกขึ้นเราก็เลยค่อยๆเลือนหายไปคล้ายๆกับของที่วางไว้บนตัก ก็อยู่กับเจ้าของในขณะที่เจ้าของก็นั่งแต่พอเจ้าของก็ลุกของก็ร่วมแต่บางคนก็เหมือนกัเก็บใส่ไว้ในพกในที่นี้ก็หมายถึงเทียบเคียงดวงใจว่าเหมือนกพกหระเป๋าที่เราเก็บของมาไว้เวลาลุกไปไหนของเรานันก็ไปกับเราด้วยความรู้ความเข้าใจในธรรมะที่เกิดขึ้นจากการฟังของบุคคลประเภทที่ สภาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามั่นคงระดับหนึ่งมันก็จะมีผลลักษณขน น, นั้นเพราจากจุดนี้เราจึงพบถึงความต่อเนื่องระหว่างวิชาสังขารวิท ญ, ญาณที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลว่ามีความยิ่งความหยอดไม่เสมอกันแม้ตัวเราเองเราดูที่ขณะจิตในแต่ละขณะ ท่าสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าบางขณะจิตใจเราก็โปร่งเบาจเจนดีบางขณะก็มีคุณมัวเศร้าหมองลักษณะคุณมัวเศร้าหมองนั้นบางครั้งมันก็แขวง่งบางครั้งมันก็โวยวายวุ้น ว, วายไปหมดบางครั้งมันก็ไม่มีค่อยมีทิศทางอะไรที่แน่นอนชัดเจนซึ่งอาการเหล่านั้นที่จริงแล้วก็คืออาการของกิเลส ประเภทที่ทรงเรียกว่าสังโยชน์ในที่นี้หรือว่าเรียกว่านิวรณ์เมื่อมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะพวกนี้จริงๆแล้วก็คือนิวรณ์ซึ่งมีอยู่ห้าประการนั่นเองเพียงแต่ว่าพูดเมื่อยามที่ตายนบุฟังเสียงจมูกรุมกลิ่นลิ้นนมรสกายถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็ตุ้นให้พวกนี้เกิดขึ้น มายความเป็นตัวกระตุ้นกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นแต่บากิเลสเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นนิวรณ์ชื่อมันก็เปลี่ยนเขาเรียกว่านิวรณ์คือการจิตเอาไว้แต่จริงแล้วเป็นการเรียกกันคนและช่วงเท่านั้นเองคล้ายกับสัตว์ที่เป็นลูกอสตัวลูกกบอะไรแต่ใดเราก็เรียกมันเรื่อยตามความเปลี่ยนแปลงของมันก็ที่จริงก็คือลูกกบ ลักษณะของอารมณ์มันก็เหมือนกันเพราะในจุดนี้เราจะพบว่าเพราะมันมีนามมารูปขึ้นมาก็เป็นการผสมระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับธรรมะต่ำขึ้นมาก็ขยายเติบโตขึ้นตามการเวลาอย่างที่เราศึกษาไาเด็กแง่เขงชีว่าวิทยาในเรื่องกำเนิดทารกอะไรต่าง มันก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆผ่านเวลามา 8-9 เดือนพวกอายตนะเกิดตาหูจมูกริ้นกายใจมันเกิดความสมบูรณ์ขึน้นที่จริงสัมผัสนั้นเขาก็สัมผัสนันตั้งแต่ข้างในการดิ้นของทารกที่อยู่ในขันก็แสดงถึงเขาก็รักสัมผัสแม้จะไม่สมบูรณ์พร้อม คือต้อง6ประการอย่างกอตอนคลอดออกมาก็ตามแต่ที่จริงก็กมีสัมผัสแล้วคลอดออกมามันก็กลายเป็นสัมผัสที่สมบูรณ์ปตาหู จ, จมูกลิ้นกายใจก็ใช้งานได้สมบูรณ์ต่อมามันก็กลายเป็นการกําหนดอารมณ์ซึ่งที่จริงแล้วอารมณ์หล่านั้นก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปแต่กลายเป็นความชอบความชัง ถึงหมายความถ้าเกิดชอบเกรดชังมันก็กลายเป็นการมราคาปฏิฆะที่แสดงไว้ในสังโยชน์ในส่วนจิตมันก็ไปเหนี่ยวอารมณ์ดรนันเอาไว้ในส่วนชอบก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ฟังที่ได้สุดดมที่ได้ลิ้มที่ได้จับต้องมันมีความกำลังเพดเพลินๆทำซ้ำซากซางอยู่นนในเรื่องดรสัน ในส่วนที่ไม่ชอบเมื่อเกิดทุกเวทนาคือความไม่สบายไม่พอใจเรื่อตัาหาก็เกิดต่อเกิด ต, ต่อตามการกําหนดของเราแต่เราเองก็ถูกคนอื่นยั่วให้เกิดการกําหนดหรือว่าจิตเราไปกําหนดตัวเองก็มีได้ทั้งสองอย่างาเราจะเห็นว่าบางทีสิ่งนั้นมันก็เป็นอยู่กับมันอย่างนั้นเอง แต่เราไปเกิดกำหนดด้วยความกําหนัดความกำหนัดมันก็เกิดขึ้นเรากำหนดด้วยความพเพลิดเพลินยินดีความพเพลิดเพลินยินดีมันก็เกิดขึ้นแต่พึงสังเกตว่าไม่ใช่สากลดมายความว่าคนไม่มีความรู้สึกเหมือนกันในอารมณ์เดียวกันมนขึ้นอยู่กับพื้นจิตของเขาและการกำหนดสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นๆของเขา แต่บางทีใจิตใจเราเข้มแข็งแม้จะมีการยั่วยุให้รักยั่วยวนให้รักด้วยวิธีการต่างๆอย่างทีท่านรวบรวมเรื่องวิธีการยั่วยวนอะไรต่างๆไว้เป็นอันมากมาย ไ, ได้เกันแต่คนที่เข้มแข็งจริงๆจะยั่วยวนยังไงก็ไปไม่ได้แต่คนที่ไม่เข้มแข็งแม้แต่ไม่ยั่วยวนมันก็ไปแล้ว เพลักษณะทางอารมณ์ที่เรียกว่าอาจตนะแล้วเกิดเป็นผัสสะนั้นมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็อยู่ที่ใจของคนไปกําหนดสถานะสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยความรู้สึกยังไงคือมันจะเกิดธรรมะก็ได้เกิดกิเลสก็ได้เกิดเฉยๆก็ได้เพราะอารมณ์อันเดียวกันถึงแม้แต่อยู่ในคนคนเดียวกันแต่คนเราห่วงความคิดกัน จะเห็นว่าอารมณ์เหลดนั้นบางครั้งก็เดี่ยวเขาไปผูกมัดรัดรึงเขาไว้ด้วยความกระดัดเพลดเพลินยินดีแต่ในอีกช่วงหนึ่งขณาดหนึ่งจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงไปมีประสบการ์เพิ่มขึ้นมีผลเพิ่มขึ้นมีความคิดที่รอบคอบรัดกุมมา ก, กิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงอะไรกับอะไรได้มากขึ้นความรู้สึกตัวสิ่งนั้นแหละ หือสิ่งที่เคยสร้างความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงหมมเมาอยู่นั่นแหละเราก็จะอาจจะเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ช่วยให้ท่านเหล่านั้นพยายามถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีในเรื่องเดินั้นจนถึงก็หลีกหนีออกไปและวความเป็นเพียรกับัรุพุทธผเพราะเมดูตัวอย่าง แม้แต่เราพระเจ้าเราเองในห่วงที่อยู่ในปร า, าสาท ร, ราชวังบางครั้งก็สงเพลิดเพลินชื่นชมยิน ด, ดีในอารมณ์เหล่านั้นยิ่งคารวะสวสั ย, ยแต่ไปถึงจุดหนึ่งอารมณ์เหล่านั้นเองที่ผลักดันให้พระองค์ได้ความคิดถึงชีวิตที่ความตายแวงเร้นอยู่กับชีวิตใช่ไหมแต่พระยาศาเองก็มีลักษณะอย่างนั้น ไปเลยไปถึงภาษาลิบุตรเราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นต่างกันของพระโพธิสัตว์ก็ดีของพระยศักดิก็ดีเป็นอารมณ์ที่ให้ความบันเทิงเพลิดเพลิน เ, เพื่อผูกมัดจิตใจของท่านเหล่านั้นเอาไว้แต่อารมณ์ที่ภาษาลิบุตรท่านไปเพลิดเพลินนั้นที่จริงเป็นอารมณ์ที่ยั่วให ดูยู่วให้ฟังยั่วเพื่อเพลินเป็นหลักเพราะว่าเป็นการแสดงเขาไม่ต้องการคนเขาต้องการผลประโยชน์จากคนทางการเงินจากคนอย่างการแสดงทั้งหลายมันก็จะมีการแสดงด้วยวิธีการต่างๆที่จะพยายามโบ้น้าใจิตใจของบุคคลซึ่งมีความหลากหลายมันก็กลายเป็นศิลปะของการแสดงเพราะในห่วงแรกถ้าก็เพลิดเพลิ น, พนชื่นชมอยู่งั้น เสียเ ว, เวลาไปเป็นจํานวนมากเสียเงินเป็นจํานวนมากเพราะไปกันเป็นกบวนมีลูกน้องติดตามมีบริวารติดตามมากเขาแสดงวันในขณะนั้นตาท่านก็เห็นรูปของความเสียงแล้วใจก็เพลิดเพลินในอารมณ์อย่างน้อยก็3ามอย่างแล้วก็อาจจะกินอาจจะอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าสติปัญญาเหตุผลมาเข้ามาแทน ก็ในอารมณ์เ่านันเองในรูปเรอดั้นเอ ง, เเองที่เคยชื่นชมเคยยินดีเคยโศกเศร้าเคยรื้อบร่จใจกับการแสดงกบคนลดนั้นมันก็กลายเป็นตัวกระตุน้นให้มองไปสู่อนาคตคือแทนที่จะเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันมองไปสู่อนาคตเพราะในที่สุดทั้งคนดูทั้งคนแสดงมันก็คือกันคือแก่คือเจ็บคือตายแล้วก็ เผยหน้าผู้ฟังกันไปบังการกำลัดพเพริดเพลินยินดีอยู่ในรมนี้มันก็ไร้สาระด้วยกันทั้งคนแสดงแล้วคนคนดูจึงตัดสินใจแสวงหาทางที่จะทำต น, นหลุดรอดจากอำนาจของความพเพื่อเพลิดยินดีคือความยึดติดอยู่ในสุขเวทนาตึวมความในกระบวนการนี้ต่อไปตัดหามก็ลถ อุปท า, านเองความยึดพัานถือบนมันก็ลดมัลดความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ลดลงไปชาติคือความเกิดมันก็ลดลงจนถึงก็หมดสิ้นไปนั้นก็คือการล้มของกระบวนการเหล่านั้นจึงจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วตัวเรามันก็ไม่มีอะไรมันเริ่มจากไม่เป็นเราไม่มีเราคือเรจาจะไม่มีเรามาก่อน แล้วค่อยๆมีเราขึ้นโดยลำดับในทางรู ป, ปรวัตถุแล้วในด้านที่เป็นนามนธรรมก็คือจิตใจพอมีเราต่อมาก็เป็นเราแล้จากเป็นเรานะีเราก็เป็นอะไรอีกเยอะแยะเลยเก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆมาเมาือโตขึ้นเมื่อเกิดมาถึงมันก็เจอพ่อเจอแม่จริง็ขาเจอแพทย์เจอพยาบาลก่อน ก็เจอแม่เจอพ่อก็เจอกันไปเรื่อยๆก็มีทําให้เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นนักเรียนเป็นอะไรต่อสาอะไรสารพัดเป็นแต่จุดที่เป็นเหล่านั้นบางจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เราสัมผัสเม้ความเราไปอยู่กับเพื่อนเราก็กลายเป็นเพื่อนของเพื่อนพอเราก็ปู่เราก็เป็นหลานของปู่เราก็แม่เราก็เป็นลูกของแม่เราก็พี่ เราก็เป็นน้องของพี่แตะลงความเป็นนั้นเป็นเรื่องของการสมมติตามจุดที่เราสัมผัสแต่แ ง, ง่ของความจริงที่แท้จริงไม่ได้มีตัวมีตนในลักษณะ น, นั้นไม่ได้มีตัวมีตนที่ยืนยงยืนยงถาวรตลอดไปแต่เป็นเรื่องของกระแสที่เลื่อนไหลไปตามธรรมชาติของมัน หมาความว่าถ้ามีมันก็มีปัจจัยสนับสนุนเรื่อยๆคล้ายๆการไหลของแม่นำ้ำแต่เพราะความไม่รู้เท่าทันตามความจริงของชีวิตจิตก็ไปให้ความต้องการแก่ตัวตนซึ่งเราไปเข้าใจว่าเราเป็นตัวเป็นตนหรือว่ามีตัวมีตนหรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ใจมันก็เป็นไหลเข้าสู่กระแสของปัญหากระแสของกิเลสซึงในจุดนี้เองที่พระพุทธเจ้าเริ่มสอนให้เจริญในแนวของวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะกิเลสประเภทนี้มันเป็นโมหะการจะแก้เขาได้ก็ต้องแก้โดยปัญญาหรือแก้โดวยวิชาเหมือนเราแก้มืดแก้อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากใช้แสงสว่าง เพราะจะต้องการแต่แก้มืดไม่ต้องแก้ด้วยแสงสว่งางขอเพียงแสงสว่างเกิดขึ้นด้านั้นเองเรื่องมืดไม่ต้องพูดก็ได้เพาจะถูกขจัดไปด้วยแสงสว่างเพราะในสกายาทิชคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนหรื อ, รอเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพูดเขามันคือกลายเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลายแต่ทีนี้ถ้าขหาก็าถ่ายถอดเนี่ย มันจะกลายไป็ที่จางไปคลายไปบรรเทาไปหมดสิ้นไปของปัญหาทั้งหลายเวลาท่านบรรลุบรควุท่านจึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือเกิดปัญญาที่เองชอบขึ้นหมายความยังไงหมายความว่ามิจฉาทิฏฐินั่นเองก็จางไปเรื่อยๆปริามาณของสัมมาทิฏฐิก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรคาก็ร้อนลดลงไปแล้วก็เย็นเพิ่มขึ้น ที่จริงเพราะเย็นเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อนมาเก็ดจึงเลยลดลงไปจิตใจของคนก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นขึ้นมีปัญญาประจักษ์แจ้งก่ใจอ้ใจที่เคยไ ข, ขว่คว้าไอ้สิ่งทั้งหลายมาสนองตอบเราเมื่อเราไม่มีนะเมื่อเราไม่มีแล้วเนี่ยไอ้ใจที่ไ ข, ขว่คว้ามันก็ลด ยังใกล้ๆก็เราไม่ไม่มีบ้านนะแต่เพื่อนก็ให้เตียงให้วิทยุให้อะไรอะไรามาเพื่อใช้ภายในบ้านไอเราไม่มีบ้านนะต้นหาในเรื่องเหล่านั้นก็ไม่มีถ้ามีมันก็จะต้องต้องเอาไปขายคือไม่จะเอามาใช้แต่ถ้าเขาให้เพื่อให้ใช้คือเอาไปขายไม่ได้เอาไปให้คนอื่นก็ไม่ได้ก็บังคับมาเลยนั่งเอามาใช้มันบ้านมันไม่มีไม่รู้ไปใช้ที่ไหน เพราะในความยากตรงนี้เองก็จะลดลงไปเดีย๋ยวที่เคยยกตัวอย่างวิธีการของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เป็นการกำหนดให้พระที่สร้างกุฏิอยู่ด้วยตัวเองแคบๆกว้างเจ็ดคืบยาวสิบสองคืบนึกดูก็โตกว่าโรงไม่เท่าไรขนาดโรงสามโรงวางเรียงกันก็พอได้ ท่าจะอยากก็อยากไปเถอะแต่ไม่มีที่เก็บในสุดมันก็ท้อถอยเองคือไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะไม่รู้จะวางที่ไหนปัญหาในการดูแลรักษานั้นจะติดตามไาท่านก็ตัดเรื่องเหล่านั้นออกไปได้ลดเรื่องเหล่านั้นออกไปได้นั่นก็คือวิธีการฝึกเพื่อ บรณฑ์ทอนตัดรอนความอยากในอารมณ์ทั้งหลายในความเป็นตัวเป็นตนทึ้งความเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นอย่างที่คอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยเห็นว่าแม้เราจะรู้สึกว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่มันก็มีคนเป็นที่ใหญ่กว่าเราคนที่สูงกว่าเรา และที่จริงก็ไม่ได้เป็นจริงเพราะว่าเป็นนั้นก็เป็นเรื่องสมมติเอาสมมติแต่งตั้งเอาตามลักษณะงานบ้างตามลักษณะของสิ่งที่เราสัมผัสบ้างตามกตินิยมการตกแต่งการมอบหมายบางครั้งก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะมันนะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นเนี่ยมันก็ต้องลดลงไปเพราะว่าไอ้ตัวตนมันถูกลดเวลา รู้สึกตัวตนไม่มีความรู้สึกเรื่นันมานะมันก็ไม่มีตามไปเพราะแนวเหล่านี้มันอยู่ที่การใช้ปัญญาปิดพิจารณาจะน้อยที่สุดก็ลดอัตราตัวเองให้เล็กลงหน่อยเพื่อจะอยู่ในที่ต่างๆอย่าไปในที่ต่างๆไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะต้องต้อนรับอย่างนี้อย่างโน้นแต่ต้องได้นั่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ไห คือยังไงก็เป็นไปก็แสดงว่าถ้าทําได้เนี่ยกิยเลสประเภทนี้เขาก็ลดลงไปไอ้ความอึดอัดความเดือดร้อนความหงุดหงิดความโกรธอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะลดตางลงไปให้เราสังเกตว่าที่เราเกิดโกรธมากและผิดหวังมากเนี่ยจริงๆมันมาจากเราโลภมากคืออยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นนทนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อปล้ปปนปลื้มตัวตน ตอบสนองความต้องการของตูวตนแต่เมื่อลดตัวตนลงไปแต่ตัว อ, อื่นมันต้องลดตามเพราะเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่แก้ที่ต้นต่อคือลดที่ต้นต่อของเขาท่านที่เข้าถึงจุดนี้ได้จึงเรียกว่าโสตาปันณะแปลว่าพูดถึงกระแสของปณิพันธ วันตะมองปัญญาสายปัญญาก็คือทิจิสมบูรณ์ที่เรียกว่าทิฐิสัมปันนะบุคคลคือบุคคลที่มีความเห็นสมบูรณ์ว่าตัวตนนั้นมีในแง่ของสมมติสัจจะแต่ไม่มีในแง่ของความจริงความเป็นเราเป็นเขาเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโ น, น้นมันก็มีในแง่ของสมมติแต่ในแง่จริงเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ในโลก จะรู้เท่าทันตามความจริงของสิ่งหลดนั้นที่เรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ ย, ยึดมั่นหรือมัน่นตอนไหนถูกสมมติก็ยอมรับในแง่สมมุติจะทําตามสมมติหล ด, ดนั้นให้ดีพอเลิกสมมุติก็จบเหมื่อการแสดงประจบฉากจบวงก็จบแล้วก็ไม่ ย, ยึดติดอยู่ในสิ่งหลดนั้นหตดนี้ไปก็พอให้ตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไป